ฝึกดูลมหายใจแต่ลงท้ายถ้าไม่รู้สึกถึงจิตก็ยังไม่นับเป็นอาณาปานสติอย่างมากก็แค่ทรมานใจตัวเองด้วยการฝืนหายใจไปเปล่าเปล่าเท่านั้นเกินกว่าครึ่งหรืออาจจะเกิน 90% อร์เซ็นของผู้ที่คิดว่าตนเองฝึกอาณาปานสติไปได้ถึงแค่ความรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออก ไม่รู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมไม่รู้สึกว่าลมสักแต่เป็นาธาตุพัดไว้ไม่รู้สึกว่ามีจิตเป็นแก่นสารไม่รู้สึกว่ามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูกองลมทั้งปวงในอาณาปานาสติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ต้นว่าให้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเพื่อสังเกตว่า ลมมีทั้งสั้นมีทั้งยาวแล้วเราจะเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงซึ่งถ้าเชื่อท่านทําตามท่านสอนก็จะพบว่าตัวเราผู้ดูลมก็คือจิตอันว่างเปล่าจากอุปาทานว่างเปล่าจากความรู้สึกว่าลมคือเราเราคือลมแล้วลิมรสความนิ่งเยน็นสงบสุขรู้สึกถึงจิตได้ชัด หลังจากดูลมจนเห็นจิตไม่ว่าการปรุงแต่งจิตใดๆเกิดขึ้นจะสบายก็ดีจะอึดอัดก็ดีจะเป็นความฟุ้งซ่านก็ดีจะเป็นความสงบก็ดียอมเห็นทั้งหมดว่าสักจะเป็นของชั่วคราวก่อตัวขึ้นมาได้ก็สลายตัวลงไปได้ไม่เท่ากันไม่เสมอกันในแต่ละลมหายใจเมื่อเห็นการปรุงแต่งของจิตว่าไม่เทียง ความรู้สึกว่ามีตัวตนย่อมหายไปเหลือแต่ความสงบระ ง, งับกายใจเห็นลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกมีปีติมีสุขอันเลือกเย็ยนอยู่โดยไม่รู้สึกว่าปีติสุขเป็นของตนนั่นเองความสามารถในการเห็นกายใจโดยความเป็นแคบเปลือกที่ไม่น่ายึดจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญอาณาปานาสติด้วยความเป็นยอดแห่งกรรมฐานเปิดได้ตั้งแต่ผู้เริ่มสนใจเจริญสติไปจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์แต่ยุคเราติดเตียนอาณาปานาสติกันมากเพียงเพราะไม่รู้จะดูลมให้เป็นสุขได้อย่างไรและยิ่งไม่เข้าใจวิธีดูลมจนเห็นจิตเพื่อต่อยอดเป็นการเจริญสติที่แท้จริงกัน